ทรงอนุญาตให้ฉันคณะโพชนะได้ในสมัยที่เป็นพัฒหารของสมณะ216สมัยนั้นพระญาติร่วมสายโลหิตของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมค ร, รัฐทรงผนวชในสำนักของอาชีวกทั้งหลายครั้งนั้นอาชีวกนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารถึงพระราชสำนักครั้นถึงแล้วได้ถวายพระพรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัตดังนี้ว่ามหาบพิษอัตมาปรารถนาจะจัดพัหาร ถวายนักบวชผู้เป็นเจ้าลทัทธิทั้งหมดพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมคตต ร, รัสว่าพระคุณเจ้าถ้าท่านนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้มาฉันก่อนโยมจึงจะจัดถวายครั้งนั้นอาชิวกนั้นส่งทูตไปหาภิกษุทั้งหลายให้อารัธนาว่าขอ n i m o ์ภิกษุทั้งหลายรับพัตาหารของข้าพเจ้าเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามการฉันคณโภชนะจึงไม่รับนิมนต์ครั้งนั้นอาชิวกนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรอาชิวกผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรนั้นได้กล่าบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ท่านพระโคโดมก็เป็นบรรพชิตข้าพาเจ้าก็เป็นบรรพชิตบรรพชิตควรจะรับพัะตาหารของบรรพชิตขอท่านพระโคโดมพร้อมกับภิกษุสงโปรดรับพัะตาหารของข้าพาเจ้าเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดูดสเนีภาพครั้นอาชีวกทราบวา่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงถวายอภิวาทและจากไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันคณะโพชนะได้ในสมัยที่เป็นพระทหารของสมณะแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้